เป็นที่พึ่งอาศัยอันนี้มันเป็นเป็นหลักปฏิบัติของชาวพุทธเลยกรรมในที่นี้หมายถึงการกระทํนะไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องวิบากเดี๋ยวนี้เวลาพูดถึงเรื่องกรรมนี่เราก็คิดไปถึงเรื่องวิบากในอดีตหรือวิบากกรรมเรามีการเป็นที่พึ่งอาศัยหมายความว่า ไม่ว่าเราปรารถนาอะไรต้องการอะไรก็ต้องอาศัยกรรมคือการกระทำนั่นแหละเป็นเครื่องพาไปสู่จุดมุ่งหมายหรือทำให้เกิดความสำเร็จเราเจ็บเราป่วยจะพึ่งโชคพึ่งสิส่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ ป, ปฏิหารนั่นไม่ได้ เราก็ต้องพึ่งกรรมก็คือต้องรักษาพยาบาลต้องดูแลตัวเองรวนะมทั้งการวางจิตวางใจให้ถูกต้องนะกรรมในที่นี้เนี่ยหมายถึงการกระทําแล้วก็เน้นที่การกระทําของเราไม่ว่าทําที่กายที่วาจาหรือที่ใจปรารถนาอะไรต้องการอะไร ก็ต้องลงมือทำคือทำด้วยตัวเองจะไปบนบานสายกล่าวจะไปพึ่งพาอาศัยคนอื่นหรือว่าพึ่งพาอาศัยอิทธิฤทธิปฏิหารอันนั้นไม่ใช่วิสัยของชาวพุทธไอ้ที่พูดไอ้สิ่งอื่นนี่เป็นสิ่งเสริมนะพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เน้นเรื่องกรรมคือการกระทำมาก ชื่ อ, อชื่อหนึ่งของพุทธศาสนาคือกรร ม, มวาทีก็คือศาสนาหรือคําสอนที่ในเรื่องกรรมคือการกระทําซึ่งใกล้เคียงกับหรือเป็นอันเดียวกับที่พูดเมื่อวานวิริยะวาทีวิริยาวาทีก็คือว่าคําสอนที่ในเรื่องความเพียรในเรื่องกรรมในพุทธศาสนานจะสอนในแง่ที่ให้ทําความเพียรเพื่อให้เกิดสิ่งที่ต้องการ เมื่อเราต้องการชีวิตที่ดีงามเราก็ต้องทำกรรมดีนะเพราะว่ากรรมนั้นเนี่ยมันจะมีผลปรุงแต่งตัวเราเราทำกรรมอะไรไว้เราก็ต้องรับผลแห่งกรรมนั้นนี่ว่าเราเป็นทายาทแห่งกรรมนะถ้าเราทากรรมดี เราก็ได้รับผลดีความว่าได้รับผลดีก็คือความหมายกันว่าเป็นทายาทแห่งกรรมถ้าเราทำกรรมไม่ดีไว้นะเราก็ต้องรับกรรมนั้นเราอยากจะเป็นทายาทแบบไหนนะหรือเราอยากจะได้รับผลแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับการกระทาของเรา ไม่ใช่อดีตไม่ใช่อนาคตแต่คือการกระทำในวันนีนน้้พูดถึงความดีนะการทำความดีที่จริงมันก็เป็นความหมายเดียวกับการปฏิบัติธรรมเวลานี้พูดถึงการปฏิบัติธรรมเราก็มักจะมีความเข้าใจที่แคบลงไปหมายถึงเรื่อง ของการทำสมาธิภาวนาหรือว่าเรื่องการบำเพ็ญทางจิตนะหรือว่าเป็นนึกถึงการทำกรรมฐานที่จริงปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมีความหมายกว้างเพราะว่าค ว, าว่าธรรมะอันนี้มันมีความหมายที่รวมไปเฉพาะกาุศลธรรมนี่ก็เยอะมากนะเช่นขันติความอดทนนี่ก็เป็นธรรมะ สัจจะความซื่อสัตย์ก็เป็นธรรมะวิริยะความเพียนก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นเวลาเราทํางานเนี่ยถ้าเราทํางานด้วยความมันเพียนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตก็เท่ากับว่าเราปฏิบัติธรรมที่ท่านอาจารย์พุทธาบอกว่าการงานคือการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็รวมถึงความหมายนี้ด้วย มีบงคนสงสัยนะเอว่าการงานางคือการปฏิบัติธรรมทำได้อย่างไงไม่มีเวลาทําอย่างอื่นเลยและทํางานจะเป็นการปฏิบัติธรรมย่ได้อย่างไรครนี้อันนี้เขาคิดเรื่องการปฏิบัติธรรมในความหมายที่เป็นเรื่องอไกลตัวหรือเรื่องยากที่จริงเมื่อเขาทํางานด้วยความรัก เขาทำงานด้วยความใส่ใจก็ทํางานด้วยความเพียรแล้วเขาทํางานเสร็จเขาก็มันตรวจตราตรวจสอบใคร่ครวญว่ามีผิดมีพลาดตรงไหนมีอะไรที่ต้องแก้ไขจะทําให้ดีขึ้นได้อย่างไรอันนี้ก็ถ้าว่าเขาได้ปฏิบัติธรรมแล้วปฏิบัติธรรมเรื่องอิทิบาสี 4. ก็คือว่าทําด้วยฉันทะแล้วก็มีวิริยะแล้วก็มีจิตตาคือความจดจอ่อ แล้วก็มีวิมังสาคือความใคร่ครวนเราทำครัวเราทำด้วยความรักความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นต่อผู้ที่ได้กินอาหารของเราเรามีความอดทนอดกลั้นต่อความร้อนจากไฟที่หรือจากอากาศที่มันแผดเผาในเวลากลางวัน อันนี้เราก็ปฏิบัติธรรมนะคือทําด้วยขันติทําด้วยความเพียรทํำด้วยเมตตามีคนพูดจากระทกระทั้งเราเพราะว่าต่างคนต่างหงุดหงิดแต่ว่าเราก็ใจไม่กระเพื่อมไม่หวั่นไหวไม่ต่อรอต่อเถียงอันนี้ก็ปฏิบัติธรรมเพราะเรามีสตินะแล้วเรามีขันติด้วยนั่นอยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติธรรมได้เพราะว่า ความดีหรือคุณธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องทำในทุกเรื่องอยู่แล้วนะและที่ต้องใช้ตลอดเวลาคือสตินะถ้าเราทำงานเราทาอย่างมีสติใจอยู่กับปัจจุบันไม่วอกแวกนะไม่ใจไม่ลอยนะใจไม่ไหลไปทางอื่นนะหรือใจไม่จมอยู่กับความเครียด ความกองวลวนความวิตกนี่ก็ปฏิบัติทำแล้วเจริญสตินี่ทำได้กับทุกงานไม่ว่าจะเป็นงานใดก็ตามเราสังเกตรหรือเปล่านะเวลาเราทำงานใจลอยไหมใจมันไหลไปไหมใจมันจมไปหรือเปล่าเนะี่ยส่วนใหญ่ก็นีไม่พ้นสามอย่างนี่แหละใจลอยลอยไปอดีตบ้างลอยไปอนาคตบ้างไหลไปที่บ้านบางไหลไปที่ลูกบางที่ พ่อแม่บางบางทีก็หลายไปคนที่เราชังคนที่เขานินทาว่ากล่าวเราเนี่ยไหลไปเสร็แล้วเป็ น, นจมเลยจมอยู่ในความทุกข์ในความวิตกกังวลในความโศกในความเศร้าในความอันไล่ลองสังเกตดูใ จ, จเราเนี่ยมันก็นีไม่ค้นสามอย่างนี่แหละปกตินะอยบ้างหลบ้างจมบ้าง อันนี้เลขรวมๆว่าลืมแล้วก็หลงหลงลืมลืมหลงแต่ถ้าเกิดว่าเราทํางานใจอยู่กับปัจจุบันนะอยู่กับงานที่เราทําเวลามันเครียดก็สังเกตเห็นความเกร็งที่คอบ้างความเกร็งที่ใบหน้าบ้างหรือว่าลมหายใจที่มันถี่บ้างเราสังเกตไหมอันนั้นก็ เป็นการเจริญสติอีกแบบนึงนะคือรู้กายเรารู้กายที่เกร็งเวลาเราเครียดส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้หรอกหน้านี่คิวขโมยยังไงก็ไม่รู้นะแล้วใจมันหนักไหมใจมันรู้สึกบีบคั้นไหมใจมันเกิดโทสะไหมนะก็ไม่รู้นะส่วนใหญ่ไม่รู้ไม่รู้ทันแต่ถ้าเกิดว่าเออเรารู้ทันกายเวลามันเครียด เรารู้ทันใจที่มันหนักหนักอันนี้แหละก็ถ้ากับว่าเรากําลังเจริญสติเราปฏิบัติธรรมละ ย, ยังนั่จะเห็นได้ว่าการปฏิบัติธรรมนี่มีความหมายกว้างมากการให้ทานการรักษาศีลก็เป็นการปฏิบัติธรรมไม่ใช่จะต้องภาวนาอย่างไรถึงจะเป็นการปฏิบัติธรรมแล้วที่จริงคําว่าภาวนาเองเนี่ยนะ หรือกรรมฐานเนี่ยมันก็มันก็มีหลากหลายนะมันก็มีหลากหลายเฉพาะเรื่องการทำสมาธิในอริมังมีองค์แดหมวดที่ชื่อว่าสมาสมาธินี่ซึ่งเป็นข้อสุดท้ายเนี่ย เฉพาะเรื่องการทําสมาธิหรือเรียกว่ากรรมฐานเนี่ยก็มีถึงสี่สิบสี่สิบวิธีแต่แต่วิธีนี้ก็มีอาการจุดเน้นแตกต่างกันมีจุดมุ่งหมายแตกต่างกันบางคนไปเข้าใจว่าการทํากรรมฐานแบบพูดเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้เท่านั้นนะพอคน พอคนอื่นทําแบบอื่นก็ก็ไปว่ า, ว, าว่าเขาไม่ได้ว่าเขาทําผิดว่าเขาไม่ได้ทําภาวนาอันนี้ก็ต้องทําความเข้าใจเสมอใหม่ว่าเฉพาะแค่กรรมฐานเพื่อทําให้เกิดสมาธิหรือสัมมาสมาธินี่ก็มีถึง40สอย่างนะเฉพาะเรื่องกรสินเนี่ยก็สิอย่างก็ไปแล้วกระสินน้ำกรสินไฟกระสินลม นะอนุสตินี่ก็สิบนะอนุสติสิบได้แก่อะไรบ้างก็เช่นพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติอย่างเราสวดมนต์เนี่ยนะเราเราลึกถึงพระรัตนตรยัยก็เท่ากับว่าเรากําลังทํากรรมฐานด้วยเหมือนกันก็คือว่าเรากําลังราลึกถึงพระพุทธเจ้าเระลึกถึงพระธรรมเจ้าเระลึกถึงพระสังกเจ้า นะเพื่อทำให้เกิดศรัทธาเมื่อเกิดศรัทธาแล้วมันก็เกิดอะไรตามมาเกิดปราโมทย์เกิดปิติเกิดปัสสัต t ปัสสัต t คือความผ่อนคลายกายและใจเสร็จแล้วเกิดอะไรตามมาเกิดสุขแล้วก็สมาธิอันนี้พระเจ้าทรงชี้ให้เห็นอย่างละเอียดเลยนะว่าเมื่อเร า, าเราลึกถึงพระผู้ประระสงค์เนี่ย ซึ่งเป็นสิ่งที่เราศรัทธาเนี่ยมันเกิดอะไรตามมาสุดท้ายคือสุขแล้วก็สมาธิเนี่ยเวลาเราสวดมนต์เนี่ยก็เท่ากับว่าเรากำลังจจเจริญกรรมฐานที่เรียกว่าอนุสตินะทำทีเดียวก็ได้อนุสติ3เลยคือพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติเวลาเราเราลึกถึงเทวดาราลึกถึงความดี ที่เราได้ทำราลึกถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่เราได้มีจิตใจก็มีปิติชื่นบานอันนี้ก็เป็นกรรมฐานในะเราเทวตานุสติจากขานุสติศีลานุสติเวลาเรารลึกถึงความตายอย่างเช่นเมื่อกี้ก็พิจารณาถึงความไม่เที่ยงของชีวิตว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดานี่ อันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของมราณะสตินะนั่จิจะได้ว่าเพียงแค่เราทำวัดไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนี่เราทำกรรมฐานหรือว่าเราปฏิบัติธรรมเนี่ยหลายหลายหมวดนะด้วยกันรวมทั้งเมื่อกี้เราแผ่เมตตาแผ่เมตตานี่ก็เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งในพุทธศาสนาแล้วอภัมมัญญานะมีเมตตากรุณามุติตาอุเบกขา นี่ก็4ข้อเข้าไปลวการพิจารณาถึงความไม่งางของร่างกายอาการ32ซึ่งบางทีเราก็สาธยายกันที่เริ่มต้นได้ว่าเกษาโรมานาขาทันตาตาโจเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่ากายคตาสตินะก็เป็นอนุสติหนึ่งในสินั่นจะเห็นได้ว่า ในวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเราทำกรรมฐานเนี่ยที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยหลายวิธีด้วยกันนะกรรมฐานทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยในเรื่องการทำให้ใจสงบทำให้ใจสงบเป็นสมาธินะแต่นี่ยังมีอีกหมวดหนึ่งนะหมวดที่เรียกว่าสัมมาสติสัมมาสตินี้ฉันจะในเรื่องสติปัฏฐานสี่ มีแค่4นะไม่ใช่40นะอันนี้ก็เป็นเรื่องการเจริญสติสัมปชัญญะหรือความรู้สึกตัวให้เกิดมีขึ้นนะด้วยการรู้กายรู้ใจนะรู้กายกา ย, ยานุปัสสนารู้ใจก็จิตตานุปัสสนาที่จริงมีเวทนานุปัสสนาเป็นเรื่องความรู้สึกสุขทุกข์นะไม่ว่าที่กายที่ใจแล้วก็ทำานุปัสสนาสติปัฏฐาน อันนี้เป็นอีกหมวดใหญ่ๆอีกหมวดหนึ่งเลยนะที่เป็นเรื่องการเจริญสัมมาสติการเจริญสติปัฏฐานนี่อันนี้เป็นเป็นเป็นเรื่องหลักของพวกเราที่นี่แต่ที่จริงแล้วสติปัฏฐานนี่ก็ถือว่าเป็นหัวใจกรรมฐานเลยของพุทธหัวใจกรรมฐานก็หมายความว่าเป็นเป็นพี่ใหญ่เป็นพี่เปิ้มเป็นเป็นแกนกลาง ในบรรดากรรมฐานแบบพุทธซึ่งมีมากมายนะอย่างที่พูดมาเฉนะพาะเรื่องสัมมาสา ม, มาธิคมิน40วิธีเนี่ยก็จะมีสัมมาสติหรือสติปฐานสี่นีเป็นแกนกลางเป็นหัวใจนะถึงเรียกที่นวิวาสถาบันสติปัฐานเพราะาเราในเรื่องการสร้างสติสัมปชัญญะ ความระลึกได้ความสึกตัวเนี่ยเป็นเรื่องหลักแต่ก็ไม่ทิ้งเรื่องอื่นนะเราก็มีวิธีอื่นอื่นมาเป็นเป็นบริวารตายล้อมนะเพราะว่าในการต่อสู้กับกิเลสในการต่อสู้กับวิชาตันหานี่มันต้องมีหลายกระบวนท่ากระบวนท่าหลักๆก็คือสติปัฏฐานนะความรู้ทันกายและใจ อันนี้เป็นเป็นเป็นกระบวนท่าหลักนะแต่ว่าก็จะมีกระบวนท่ารองออกมานะเพื่อใช้ในในสถานการณ์ต่างๆหรือเพื่อเป็นตัวเสริมตัวสร้างนะเพื่อให้การเจริญสติได้เจริญ ง, งอกงามอย่างเช่นเราเจริญเมตตาภาวนาด้วยการแผ่เมตตาอันนี้ก็ใช่หรือว่าเรา สวดมนต์ละลึกถึงคุณพระพุทธธรรมประสงค์อันนี้ก็ใช่เรามีการสวดบทพิเศษเพื่ อ, อทำให้เกิดปัญญาทำให้เกิดการคิดที่ถูกต้องโยนิสมและสิการนี่ก็ใช่ยังใจได้ว่าเรื่องการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมันทำได้หลากหลายวิธีแล้วก็แต่และ ว, วิธีก็มีจุดมุ่งหมาย แตกต่างกันไปเช่นมรณสติก็เพื่อทำให้เราลึกถึงความตายจะได้ไม่ประมาทถ้าเราแผ่เมตตาก็เพื่อทำให้ใจเราเนี่ยคลายความเกลียดความโกรธใจเรามีความรักความเมตตาเราก็จะนุ่มนวลแต่ทั้งหมดนี้ก็จะนำไปสู่การที่มีมีความสงบไม่ถูกกิเลสปลกเร้าให้ร้อนรอน แต่ว่าแกนกลางของเรานะก็อย่างที่พูดคือการเจริญสติถ้ะสติปัญญาก็ยังแยกย่อยได้อีกเยอะเลยนะเฉพาะกายานุปัสสนาเนี่ยนะก็มีทั้งอนาปานาสติก็ใช่มีทั้งการมีสติรู้ในอิริยบทมีความรู้สึกตัวในสัมปชัญญะนี่ก็ใช่หรือว่าการพิจารณาร่างกายเป็นการเห็นร่างกาย ว่ามันประกอบไปด้วยธาตุส่นะก็ใช่หรือแม้กระทั่งการาพิจารณาความน่กเปื่อยของสังขารนี่ก็ใช่นะท่านก็เรียกเป็นหมวดหมวดว่าอิเรียบทสัปชัญญะปฏิกลมณสิกการธาตุมนณสิกการนะวสีวติกาเนี่ยไอพวกนี้ก็เป็นวิธีการย่อย ของกายานุปัสสนานแต่ว่าที่นี่เราก็จะเน้ น, นแค่2อสวิธีนะก็คืออิริยาบถการสัมปชัญญะอิริยาบถ ท, ทั้งเป็นอิริยาบถธรรมชาติแล้วก็อิริยาบถ ท, ที่เราสร้างขึ้นก็คือยกมือเพื่อนไหวเป็นจังหวะหรือจะเพล็กมือไปมาหรือว่าจะคลึงนิ้วอันนี้ก็ได้ปัะจุหมาคือการสร้างความ สร้างสติและความรู้สึกตัวให้มีขึ้นนะไม่ว่าจะเดินไม่ว่าจะนั่งไม่ว่าจะแร่ไปข้างหน้าเหลวไปข้างหลังนะมจีวรครองผ้าบินธบาตนะฉันดื่มเคี้ยวคูเหย็ยดอหมดนี้เนี่ยนะมันเป็นมันเป็นโอกาส สำหรับการสร้างความรู้สึกตัวมันเป็นวิธีที่ทําได้ง่ายนะไม่ต้องรู้เรื่องภาษาบาลีมากนะก็ก็ทําไดนะ้ความรู้สึกตัวในเวลาเคลื่อนไหวนะคู่เหยียดเคลื่อนไหวมองไปข้างหน้าแลมไปข้างหลังนะแม้กระทั่งถ่ายอุจรับถ่ายปัสสาวะพระเจ้าก็สอนให้มีความรู้สึกตัว ในเวลาทํากิจเหล่านี้ที่พูดมาเพื่ อ, อจะชี้เห็นว่าเรื่องการการการทํากรรมฐานหรือว่าการบําเพ็ญทางจิตเนี่ยมันทําได้หลายวิธีมากในพุทธศาสนาแต่เราก็ต้องรู้ว่าอะไรเป็นหลักอะไรเป็นรองอะไรเป็นหัวใจอะไรอะไรเป็นเป็นบริวารนะเราก็ต้องใช้ให้ถูกนะ พูดถึงเรื่องของการการบำบัดทุกเนี่ยการกาจัดทุกเนี่ยมันก็มีหลายวิธีนะจะเรียกวิธีเหล่านั้นว่าเป็นเป็นการปฏิบัติธรรมก็ได้อย่างเช่นพระพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องอาสวะอาสวะนี่คือกิเลสและและเป็นกิเลสที่เกิดจากเกิดจากทุกนะ เวลาพูดถึงวิธีการในการละอาสวะเนี่ยพระพุทธเจ้าก็จำแนกหลายวิธีมากซึ่งก็มีประโยชน์ทั้งนั้นนะเช่นละอาสวะได้ด้วยการเห็นเห็นในที่นี้คือเห็นความจริงเช่นเห็นว่าสิ่งทั้งปวงมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนร่างกายของเรามันมีเมื่อเกิดมาแล้วก็มีความแก่ความเจ็บความพัดพรากความตายเป็นธรรมดาเมื่อเห็นเช่นนี้มีปัญญาอย่างนี้นะ เมื่อสูญเสียคนรักสูญเสียสิ่งรักเมื่อเจ็บเมื่อป่วยก็ไม่ทุกข์เมื่อไม่ทุกข์ก็ไม่เกิดอาสวะคือไม่เกิดพยาบาทไม่เกิดโทสะนี่เรียกว่าละโดยด้วยการเห็นเห็นในที่นี้ไม่ได้เห็นด้วยตาเห็นแต่เห็นด้วยปัญญาไอ้ที่สองคือละด้วยการสมรสมีหรือว่าอินทรียสังวรการสํารสมอินทรีย์นี่ไม่ได้หมายถึงว่าการการอ่ะ การมองการเห็นการได้ยินสิ่งที่ควรเห็นนะอ น, นั้นไปเน้นเรื่องอายตนะจต่ที่จริงท่านเน้นเรื่องว่าการรักษาใจไม่ให้กระเพื่อมไม่ให้ยินดียิน้ายเมื่อตาเห็นลูปหูที่ยินเสียงพวกนั้นคือเมื่อเกิดผัสสะทางอายตนะหตรงนี้ก็คือสตินั่นเองละได้ด้วยสติเพราะสตินี่เป็นหัวใจของการสำรวมอินทรีย์ ทำให้การใช้ตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยส่งผลต่อใจอกุศลธรรมไม่ครอบงำเราใช้สติเป็นแกนเลยในในเวลาที่ต้องสำรวจอิจสีอันนี้ก็เรียกว่าละได้ด้วยสติยังมีวิธีอื่นอย่างเช่นละด้ด้วยการเสพนะเสพอะไรก็เสพปัจจัยสีเวลาเราเวลาเราหิวเวลาเราร้อน นะถ้าเรากินอาหารเรามาหลบอยู่ใต้ชายคาเรามีเราใช้เครื่องนึ่งหม่มอันนี้ก็ถือว่าเป็นการละนะละอาสวะอย่างหนึ่งนะเรียละละด้วยการเสพด้วยการใชนะ้แต่ว่าต้องใช้อย่มีสตินะคือมีพิจารณาเพราะถ้าเราเสพเรากินโดยไม่พิจารณาก็เกิดตัณหาขึ้นมานะก็เกิดทุกข์อีก หรือไม่พิจารณาเกิดโทสะว่าทําไมอาหารไม่อร่อยน ะ, อ, ะอันนี้ก็เรียกว่าไม่พิจารณาเพราะเราไม่ได้กินเพื่อความอร่อยเรากินเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้อร่อยไม่อร่อยนี่เป็นเรื่องรองเรื่องหลักคือเพื่อทําให้ไม่มีความทุกข์ไม่มีความผิวเพื่อให้ร่างกายมีสุขภาพดีมันจะขมมันจะเปรี้ยวก็ไม่ใช่เรื่องสําคัญอันนี้เรียกว่า ละได้ด้วยการเสดอย่างการการใช้ปัจจัยสีการกินอาหารนี่ก็เป็นการปฏิบัติธรรมเหมือนกันนะเพราะมันเป็นการละอาสวะได้แต่ต้องมีเงื่อนไขว่าต้องพิจารณาด้วยอย่างที่เราสวดปฏิสังขารโยตนตอนตอนชันนะี่อันนั้นแหละคือเป็นการเป็นการปฏิบัติธรรมในข้อที่เราละอาสวะได้ด้วยการเสดละได้ด้วย ความอดกลั้นอดกลั้นต่อความร้อนความหนาวอดกลั้นต่อต่อยุงที่มันกัดมแมลงที่มันก่อความรำคาญแทนที่จะโกรธมันเราละเร า, เราละด้วยความอดกลั้นคือมีขันตินถ้าไม่มีขันตินี่สติก็แตกนะสติก็กระเจิงเกิดความหงุดหงิดเกิดความรำคาญบางคนสติยังอ่อนอยู่ก็ใช้ขันติแทนก่อนอดกลั้นเอาไว้ นะเมื่ออดกลั้นมันก็ทนได้เมื่อทนได้ใจก็ไม่ทุกข์เมื่อไม่ทุกข์ก็ไม่มีอาสวะมันเบื่อยังไงก็บอกในใจว่าทนได้สบายมากทนได้สบายมากไม่ใช่่ใจก็บอกไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวนะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราก็ไหวทั้งนั้นทนได้สบายมากฝนตกแดดออกก็ไหวอันนี้เราหว่าละ ด, ด้วยการอดกลั้น ขันตินั่นเองละได้ด้วยการละเว้นการละเว้นการเหลีกนีก็ก็ทําได้เหมือนกันนะอย่างเช่นเมื่อวานนี้เราสวดมงคลสูตรละก็เป็นการละอย่างหนึ่งคือการละคนชั่วกันอีกคนชั่วอาศัยวันจะพาลานังการไม่คบคนผานแล้วคนผานมาใกล้ๆเราก็หนีไปซะไม่เกี่ยวข้องด้วยนี่ก็เรียกว่าเป็นการละด้วยการละเว้นหรือว่ามีที่ไหนมีสิงสารสัตว์เยอะ ตรงนี้นะเป็นลังงูเป็น เ, เป็นลังต่อลังแต่แล้ก็เราก็หนีไปห่างไปไกลๆนี่ก็ใช่นะละอสภาวะด้วยการละเวน้นแล้วก็ละได้ด้วยการบันเทาเจ็บป่วยขึ้นมาอา่าเราก็บันเทานะกินยาหรือว่านั่งเมื่อยเราก็ลุกเป็นอรีย บ, บท นี่ก็ใช่นะละโดยการบรรเทาเจ็บป่วยแล้วไม่ยอมรักษาอันนั้นก็ไม่ถูกนะเว้นแต่ว่าต้องการฝึกว่าเออเวลามันเจ็บมันป่วยร่างกายเป็นยังไงอาการเป็นยังไงอันนี้ทําเพื่อการศึกษานี้ได้แต่บอกว่าเจ็บป่วยแล้วนะไม่รักษาเพราะว่าคนเรามันก็ต้องเจ็บป่วยเป็นธรรมดาเสร็จ แ, แล้วก็ปล่อยให้ทุกขเวทนาบีบคั้นจนกระทั่งเกิดโทสะขึ้นมา อันนี้ไม่ถูกนะถ้าจะศึกษาก็ศึกษาโดยที่รู้ทันโทสะรู้ทันเวทนาไม่เกิดโทสะขึ้นถ้าไม่รักษาละปล่อยให้โทสะมาเล่นงานเกิดความขุนฉุนเฉียวขุ่นเคืองกราดเกลียวอันนั้นน่ยไม่ดีเรียกว่าอสวะเกิดขึ้นแล้วก็ต้องบรรเทาซะนะกินยาระงับปวดหรือว่ารักษาสุดท้ายก็ละด้วยการภาวนาหรือทําให้มาก อันนี้ภาวนาทีนี้แป๊บทำให้มากนะก็เรื่องศีลสมาธิปัญญาณนั่นแหละหรือทานศีลภาวนานั่นแหละทําให้มากขึ้นทําให้มากขึ้นมันก็จะละไปได้ ล, กกละกิเลสไปได้เองเอ็นได้ว่าในการปฏิบัติธรรมพุทธศาสนาเฉพาะเรื่องอาสวะเนี่ยมันก็ทําได้หลายวิธีมากแล้วก็ทุกวิธีก็เรเป็นการปฏิบัติธรรมทั้งนั้นแล้วก็ทําได้หลายแบบบางส่วนก็เป็นเรื่องการทําจิตนะทําจิต ก็คือมีสติมีความอดกลั้นบางส่วนเป็นเรื่องการทํากิจทํากิจก็คือว่าเช่นการกินข้าวการใช้สอยปัจจัยเสีนี่เรียกเป็นการทํากิจแล้วก็มันหิวเนี่ยหน้าที่ของเราก็คือช่วยให้ร่างกายคลายทุกข์หรือว่าเจ็บป่วยเราก็รักษาเป็นการบรรเทาหรือว่าเราก็ละเว้นหนีไปจากอันตรายนะที่มันจะทําให้เกิดทุกข์เกิดอาสวะ เม้จะในวันในบรรดา7วิธีนีก็มีเรื่องการทำกิจเนี่ยก็3มี่วิธีเข้าไปแล้วที่เหลือก็เป็นเรื่องการทำจิตเนี่ยการปฏิบัติธรรมุูกศาสนาเนี่ยมันจะมีทั้งการทำจิตและทำกิจนะทำจิตคือทำใจให้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดขันตินะทำกิจก็คือการทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย4การบริโภคการใช้สอยแต่ก็ต้องมีสติด้วยนะ ไม่ใช่ว่าเอาแต่กินเอาแต่ใช้แต่ว่าไม่มีสติหรือว่าเจ็บปวดก็ต้องบรรเทารักษานะทั้งหมดนี้ก็เป็นทำไปเพื่อทาให้ทุกกายและทุกใจหายไปหรือว่าลดน้อยถอยลงเพราะความทุกข์เนี่ยไม่ว่าทุกกายทุกใจนะั้มันก็ทำให้เกิดอาสวะได้นะถ้าทุกใจ พราบางทีทำให้เกิดความอยากเกิดความอยากเกิดตันหาขึ้นมาหรือบางทีทําให้เกิดพยาบาทนะทาให้เกิดความทําให้เกิดโทสะเกิดความไม่ชอบนะยุงกัดทําไมอดกลั้นนี่ก็จะโรกรธมันมากนะตบมันอยากจะตบมันอยากจะบี้มันนะถ้ามีความอดกลั้นหรือมีสติเออเราก็ไม่เดือดร้อนกับมันนะเราก็ไม่มีจิตพยาบาทไม่มีจิตที่จะมุ่งร้ายทำลายมัน น, นั้นจะเห็นได้ว่าเรื่องการปฏิบัติธรรมเนี่ยทําได้เยอะมากนะแต่เราก็ต้องรู้นะว่าอะไรเป็นหลักเป็นอะไรเป็นรองอย่างอย่างเรื่องการละกิเลสได้ด้วยการเห็นเนี่ยคือปัญญาหรือละด้วยการสำรวจอินทรีย์คือสติเนี่ยอันนี้เป็นเป็นหัวใจเลยนะซึ่งก็จะทําทได้ก็ต้องทําให้มากขึ้นเรื่อยๆคือภาวนาทำให้มากขึ้ น, นทําให้มากขึ้ น, ข, นข้อสุดท้ายเนี่ยรวบรวมหรือว่า กินความรวมทุกอย่างเลยเพราะภาวนาเนี่ยนะใช้กับไต่สิกขาศีลสมาธิปัญญาใช้กับมักมีองแปดนะเริ่มตั้งแต่สมาธิเทีเป็นสมาสมาธนะิอันนี้คือเรื่องเรื่องหลักๆที่เราถ้ารู้ไว้ก็ดีเพราะจะทำให้เห็นภาพรวมของการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานะเหมือนกับเป็นการมองภูมิประเทศที่กว้างไกล แล้วเราก็จะรู้แล้ว่าการปฏิบัติของเราเนี่ยหรือว่าที่สอนในในที่นี้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนของการปฏิบัติทั้งหมดนะไม่ไปเข้าใจว่านี่คือหรือไม่ไปเข้าใจว่าการปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้เท่านั้นนะที่ที่เป็นการปฏิบัติถูกต้องในพุทธศาสนาอย่างอื่นไม่ใช่ถ้าคิดแบบนี้ก็แสดงว่าเรายังไม่เข้าใจการปฏิบัติในพุทธศาสนาซึ่งมันกว้างมากแล้วก็หลากหลายมาก แต่เราสามารถจะรู้จักเลือกเฟ้นให้ถูกกับจริของเราแล้วก็โดยที่เรารู้ว่าอะไรเป็นหลักอะไรเป็นหลอกอะไรเป็นหัวใจนะอย่างที่บอกไว้แล้วสติปัฏฐานเนี่ยมันคือหัวใจที่เราหัวใจกรรมฐานแบบพุทธเป็นหัวใจกรรมฐานเป็นทางเอกนะถ้าเป็นเครื่องมือก็เป็นเครื่องมือหลักนะเป็นเป็นเครื่องมือที่เราต้องใช้ให้ให้คล่อง ส่วนที่เหลือเป็นตัวรองเป็นตัวเสริมเอามาใช้เสริมเอามาใช้สนับสนุนนะถ้าเราเขา้าใจนี้ได้ชัดการปฏิบัติธรรมเราก็จะไม่สับสนไม่ไขว้เขวนะแล้วก็มีเป้าที่ชัดเจนอ้าวชนี้ก็คือกับเท่านี้ับ